หรือเป็นมัทธาโรมจันท์คำว่ามัทธาโรมจรนทร์นี่ก็คือเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติโรมจันทร์สาหรับบุคคลผู้ที่มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นอย่างท่านทั้งหลายที่มีศีลท่านทั้งหลายจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติโรมจันทร์อย่างพระสงค์มีศีลนี่เราก็เรียกว่าประพฤติโรมจันทร์โรมจันทร์นี่แปลว่าประพฤติ เราเรียกกันว่ารมจรติธรรมะแบบนี้แปลว่ากาเกิดยัญญาขั้นสี่ายปรสิบุคคลใดที่ประสิทธิทางอันเจ่น่นผู้นำเราก็เรียกวเป็นที่ที่ประสิทธิสมบรย์ศีลอันเป็นคุณหรืออันบุคคลได้ในเรื่องต้นแห่งมหารมบรย์เราเรียกสิ่กรีตนั้นว่าอาภิธรรมจริยกรรมสินี่เป็นชื่อของศีลข้อที่สอง ชื่อของศีลข้อที่สามคือวิรัติศีลกับอวิรัติศีลวิรัติศีล น, นี้แปลว่าศีลหรือคุณคือการงดเวน้นวิรัติแปลว่าเวน้นเช่นอย่างเราเวน้นจากการฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าวิรตัติซึ่งวิรัติศีล น, นี้ก็สําเร็จมาด้วยอํานาจของเจตนาคือเราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะงดเวน้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการม อย่างนี้ก็เรียกว่าวิรัติศินอวิรัตินี้คือคือเจตนาศินอวิรัติคือเจตนาศินวิรัติน่ะคือเวน้นอวิรัติคือเจตนาอาวิรัติศินนี้ถ้าหากว่าแปลตามศัพท์เราอาจจะแปลว่าศินที่ไม่มีการเวน้นหรือสินที่ไม่เวน้นซึ่งฟังดูแล้วก็อาจจะ ไม่ได้ใจความอะไรว่าอาวิรตินั้นจะเป็นการไม่เว้นการไม่เว้นนี่จะเป็นสินได้อย่างไรท่านทั้งหลายอาจจะไม่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อวิรัตินี่ก็คือตัวเจตนานั่นเองเช่นอย่างในในประมัติท่านได้แสดงไว้ถึงเจตสิกประเภทหนึ่งเรียกว่าวิรติเจตสิกวิรติเจตสิกนี้เป็นเจตสิกที่ที่เว้น ที่เว้นจะการประพฤติผิดทางกายและทางวาจาอย่างเนี้เรียกว่าอาวิรักษิศีล น, นี่เป็นเป็นชื่อของศีลที่ท่านแสดงเอาไว้ในลักษณะที่เป็นคู่คู่กันในลักษณะที่เป็นหมวดสองทีนี้ศีลที่ท่านแสดงเอาไว้อีกในลักษณะอื่นที่นอกไปจากศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นลักษณะสองเหมือนกันแต่ความหมายเนี่ยต่างกันจาก ที่อธิบายมาคือคําว่านิสิตะกับอนิสิตะนิสิตะสินนี้เป็นเป็นสินที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบสิ่งอื่นๆซึ่งท่านได้แสดงไว้ว่าเป็นปัญหานิสิตะกับทิฏฐินิสิตะคําว่านิสิตะนี่แปลว่าความเกี่ยวเนื่องกันหรือความเกี่ยวพันกันเรียกว่านิสิตะ นิ่ิตาสินนี้เป็นสินที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบปัญหาเกี่ยวเนื่องกันกับทิฏฐิที่ว่าเกี่ยวเนื่องกันกับปัญหานั้นเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรคือคนที่รักษาสินแต่ว่ามีปัญหาก็ยังมีอยู่เช่นเรารักษาสินเพื่ออยากจักเกิดอีกอย่างที่ท่านได้แสดงเอาไว้ในพระสูตรว่า บุคคลที่เกิดมามีรูปร่างสวยก็เพราะในอดีตเป็นผู้มีศีลอย่างเนี้ยเราก็อยากจะเป็นคนสวยบ้างบางทีชาตินี้ไม่ได้สวยก็อยากจะสวยในชาติหน้าก็คิดว่าชาตินี้เรารักษาศีลเอาไว้ชาติหน้าเราจะได้สวยการที่ปรารถนาเพื่อที่จะได้เกิดมามีรูปร่างสวยเพราะการรักษาศีลอย่างนี้นิสิตาศีลอย่างนี้เรียกว่าปัญหานิสิตะหรือบางทีเราเข้าใจว่าการรักษาศีลเนี่ยเมื่อรักษาศีลเสร็จแล้ว เราทายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทพปุตรดเท พ, พธิดามีค่า่าบริวารมากมายสเสวยทิพยสมบัติอยากจะเป็นเทวดาแล้วเราปรัษาสิลสิลอย่างนี้เรียกว่าตันหานิสิตาคือประกอบกด้วยความอยากในภพในชาติต้องไม่เป็นไปเพื่อความค้นทุกข์เป็นสิลที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบตันหาคือความอยากที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นตัวตันหานิสิตา ทีนี้ทิฏฐินิสิตะคาว่าทิฏฐินิสิตะนี่เป็นเป็นศีลประเภทที่ประกอบไได้วยความเห็นผิดเราทราบได้จากลับพิต่างๆในประเทศอินเดียทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันนี้บางท่านถือศิลละพลดศิลละพลดในที่นี้คือการบาเพ็ญเพียรด้วยวิธีการต่างๆวันเนี้เป็นวิธีอันหนึ่งซึ่งจะทําให้ตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ได้เช่นอย่างพราม ถือว่าการอาบน้ําในแม่น้าําคงคาถือว่าแม่น้ําในแม่น้ําคงคาเนี่ยเป็นเครื่องชําระบาปหรือชําระมลทินของสัตว์ได้ว่าถ้าหากว่าผู้ใดมีมลทินก็ไปล้างน้ําในแม่น้าําคงคามลทินก็หายมีบาปมีอะไรก็ให้ไปอาบน้ําในแม่น้ําสายนี้แล้วก็แม่น้ําสายนีย่ซึ่งลังออกมาจากโอดของพระพรหมก็จะได้ช่วยชําระมลทินต่างๆให้มีความเชื่ออย่างนี้เรียกว่าตันหานิสิตาคือศีลที่ประกอบด้วยความเ e ห็นผิด หรือแม้แต่ในประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนอุบาติกาทั้งหลายเนี่ยบางทีที่ไม่เข้าใจในเรื่องหลักทางพระพุทธศาสนาดีบางทีก็ถือศีลพิสดารออกไปศีลพิสดารเนี่ยบางทีก็ถือศีลอดคืออดอาหารถือว่าการอดอาหารการประมาณพรมร่างกายเนี่ยเป็นเป็นศีลอันหนึ่งแล้วก็จะทําให้ตนเองบริสุทธิ์ขึ้นมาได้ นี่ก็เป็นทิฏฐินิสิตาอีกเป็นสิ์ที่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็มีอยู่หลายหลายประเภทเซึ่งแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องการรักษาสินในท้องถิ่นชนบทนั้นก็มีเกจิอาจารย์มากมายอยู่บางทีก็ปฏิบัติไม่ถูกและก็เข้าใจว่าการปฏิบัติเช่นนี้เป็นทางหนึ่งที่จะ ทำให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐินิสิตาคือศิลนั้นประกอบด้วยความเห็นผิดในด้านของการปฏิบัติทนี้ศินในข้อที่ห้าศิลที่เป็นอันิสิตาอันิสิตานี่ก็คือเป็นศิลที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันกับปัญหาและทิฏฐิเช่นอย่างเรารักษาศินเราก็เห็นว่าศิลเนี่ยเป็นความเยือกเย็นอันหนึง่งบุคคลที่สมาทานศิลแล้วย่อมจะมีจิตเยือกเย็นไม่เดือดร้อนใจ ไม่เกิดความคลุ้งตาต่างๆเห็นว่าความสงบเย็นนั้นคือความเป็นผู้มีศีลเรารักษาศีลไม่ได้ปรารถนาวิมานไม่ได้ปร า, าปรถนาทรัพสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องตอบแทนในภพในชาตินี้ที่เราไม่ปรารถนาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้และก็ไม่มีความเห็นผิดมีความเห็นถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้สอนไว้อย่างนี้เรียกว่าอนิสิตา อ น, นิสิตาเนี่ก็คือศีลที่ไม่เกี่ยวเรื่องด้วยตัณหาและทิฏฐิเพราะอนิสิตะท่านมีเพียงสองอย่างคือตัณหานิสิตะกับทิฏฐินิสิตะนี่เป็นชื่อของศีลประเภทที่สี่ประเภทที่ห้าคือคําว่าตาละปริยสสนสศีลชื่อของศีล น, นี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่ามีอยู่เฉพาะในพระคำภีวิสุขิมัชที่ท่านได้ประมวลเอาไวา้ กาลปริยังตสินคือศินที่มีเวลาสิ้นสุดหรือมีเวลาแห่งการรักษาอยู่เช่อนอย่างบางท่านสมาทานอุโบสถสสินว่าข้าพเจ้าขอรักษาอุโบสถสสินตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็แสดงว่าท่านผู้นี้จะรักษาอุโบสถเพียงวันเดียวกับคืนเดียวหลังจากนั้นไปศิลนั้นก็ไม่เป็นอุโบสถสสิน สินอย่างนี้เรียกว่ากาละปริยันศินสิลเนี่ยมีการเวลาสิ้นสุดหรือเราอาจจะปฏิญาณว่าตลอดไตรมาสคือพัรษานี้เราจะรักษาศินห้ารักษาสินแปดรักษาสินอุโบสถว่าเราจะรักษาศินตลอดไตรมาสคือพรรษานี้สามเดือนพอถึงสามเดือนแล้วสิลที่เราสมาทานอยู่ก็สิ้นสุดลงอย่างนี้เรียกว่ากาละปริยันศินศิลมีการเวลาเป็นที่สิ้นสุด หรือเราอาจจะตั้งใจว่าศีลที่เราสมาทานเนี่ยเราสมาทานเพียงชั่วครึ่งวันหรือชั่วหนึ่งวันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกาลปริยัญต์ศีลมีทางเลี่ยงเหมือนกันสําหรับสาธุชนที่รักษาศีลเนี่ยคือบางท่านหนักใจบอกว่าแหมเช้าไปช่วยงานมงคลที่บ้านนั้นมีการทําบุญเลี้ยงพระ ตอนพระจะสวดมนต์ให้ศีลแล้วก็รับศีล้วแต่เย็นนี้เพื่อนร่วมรุ่นชวนเลี้ยงบอกจะไปเมาพระจุพัตตาคานนั้นจะไปเมาพระจุพัตตาคานนี้เช้าเรารับศีลเย็นไปเมาเหล้าศีลก็หมดถ้าหากว่าเราจะต้องมีประสบการณ์เช่นนั้นก็เป็นเรื่องไม่ยากเราตั้งใจต่อสมาทานศีลวัดศีลห้าข้อเนี่ยขอสมาทานถึงครึ่งวันคือจากเช้าไปถึงเที่ยงก็ได้ ดีกว่าที่จะปล่อยให้ขาดไปโดยที่เรานี่รักษายอยู่บอกว่าขอครึ่งวันกันแล้วกันเช้าถึงเที่ยงแล้วจากนั้นไปเราจะไปเมาเหล้าหรือไปไหนก็เป็นเรื่องของเรามีทางออกเหมือนกันสำหรับท่านที่มีปัญหาเช่นนี้ขึ้นอย่างนี้เป็นการละปริยนตรสีลเป็นศีลที่มีการเวลาอันเป็นที่สิ้นสุดลงส่วนศีลประเภทที่สองนั้นเรียกว่าอาปาณนะอาปาณะโกติศีล อาปาณโกติสินนี้แปลว่าสินที่มีลมหายใจเป็นที่สุดสิลที่มีลมหายใจเป็นที่สุดนี่คือเป็นสินที่เรารักษาจนถึงที่สุดว่าจนกว่าลมหายใจของเราจะหยุดก็คือจนกว่าเราจะตายจะเป็นผู้มีสินจนตายเช่นอย่างเราจะรักษาสินห้าจนตายรักษาสินแปดจนตายสินสิบจนตายอะไรเหล่านี้เรียกว่าอาปาณโกติสิน ศีลที่มีลมหายใจเป็นที่สุดนี่เป็นเป็นคู่ศีลคู่ที่ห้าที่ท่านได้แสดงไว้คู่ที่หกนั่นเรียกว่าสะพปริยันตากคำวาสะพปริยังตากกับอัพปริยันตะกสพปริยันตา น, น, นี้แปลว่าศีลที่มีลาบยศอวัยวะชีวิตเป็นที่สุด อาปริยัมตะนี้ก็คือศินที่ไม่มีที่สิ้นสุดไอ้สินที่ว่ามีราบยศอวัยวะชีวิตเป็นที่สุดเนี่ยเป็นศินประเภทไหนคือบางคนรักษาศินได้ดีแต่ครั้นมีราบเกิดขึ้นเช่นมีอา mith เกิดขึ้นและอา mith ท, ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะต้องทําให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้เสียศิน ปัญหามีว่าเราจะเห็นแก่ศินหรือจะเห็นแก่ลาบถ้าหากว่าเห็นแก่ลาบสินก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ถ้าหากว่าเห็นแก่ศินก็หมายความว่าลาบไม่ทําให้ศินขาดคือเงินเนี่ยไม่ทําให้สินขาดเพราะบางคนมีสินแต่แอ่งเงินมากๆนี่สินก็ไม่จําเป็นเงินจําเป็นกว่าหรือว่าเงินสู้สินไม่ได้ก็มุ่งไปเอาเงินแต่การเอาเงินนั่นเป็นการผิดศิน เช่นตนเองจะต้องทุตจริตต่อหน้าที่ล่ะเคยเป็นผู้มีศีลมานานแล้วศินจะขาดถึงคราวนี้แต่เราเห็นว่าลาบมียสําคัญกว่าเราไปเอาลาบยอมเสียสีลก็แสดงว่าศีนเนี่ยมีลาบเป็นที่สุดคือมันมาสุดเอาตรงลาบนี่เองมาขาดอาตรงที่เราได้ลาบแล้วก็ทําให้ศีนเนี่ยขาดไปอย่างนี้เรียกว่าสัพปริยันต์สินหรือสินที่มียอดเป็นที่สุดคําว่าสีลที่มียศเป็นที่สุดนี่อาจจะมีปัญหา เนอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดก็ตามถ้าเป็นอุบาสกจะมีใครบอกว่าคุณจะต้องไปฆ่าสัตว์แล้วก็จะให้ยศให้ตําแหน่งหน้าที่ว่าคุณจะได้ยศเท่านั้นบีดตาแหน่งหน้าที่อย่างนั้นแต่ว่าต้องไปฆ่าสัตว์เรารักษาศีลมาเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่เคยทุจริตในทรัพย์สินเงินทองไม่เคยประพฤติผิดในกรรมไม่เคยพูดเท็จไม่เคยดื่มสุราเมรยัย แต่เราได้เห็นว่าแม่ยศนี่สําคัญมากเราอยากจะได้ยศเราก็เลยเลิกทิ้งศีนมุ่งไปเอายศเมื่อทิ้งศีลไปเอายศเดยสร็จแล้วศีนเราก็มียศเป็นที่สิ้นสุดคือรักษาศินมัดมาหมดเอาตรงที่ยศนี่เองพอได้ยศเข้ามาสินที่รักษามาก็เป็นอันมหมดไปเพราะว่าเราเห็นว่ายศสําคัญกว่าศีนพอสุดท้ายก็ไปเอายศและจะทิ้งศีล ศีลประเภทที่สามคือศีลที่มีอวัยวะเป็นที่สุดที่ว่าศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดในทีน่นี้อวัยวะเนี่ยหมายถึง อ, อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราจะเป็นมือเป็นเท้าเป็นหูเป็นจมูกหรือจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามถ้าหากว่าเราจะต้องสูญเสียอวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไปเราไม่ยอม เราขอรักษาอวัยวะไว้โดยยอมเสียศีลเช่นอย่างผู้มีศีลเนี่ยจะต้องสูญเสียอวัยวะทางใดทางหนึ่งเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างซากเนี่ยพอบวชมานานๆเข้าเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเป็นโรคลำไส้หมอก็บอกว่าท่านสึกเถอะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ฉันเข้าเย็น โรคกระเพาะอาหารจึงเบียดเบียนถ้าหากว่าบวดอยู่อย่างนี้รักษาไม่หายดอกต้องฝึกฝึกมาชันข้าวสักพักหนึ่งก็คงจะหายถ้าหากว่าท่านไม่ฝึกท่านจะต้องถูกผ่าตัดจะต้องตัดนำไส้ทิ้งจะต้องตัดกระเพาะอาหารทิ้งซึ่งจะทำให้ท่านเดือดรำบากมากขึ้นไปอีกตาท่านจะกลัวถูกตัดไส้ตัดกระเพาะก็บอกเอ๊อยังงั้นอรสมาฝึกดีกว่า ผลสุดท้ายพระก็ต้องมีศีลสินส้นสุดตรงแค่รักษาอวัยวะกลัวถูกตัดอวัยวะก็เลยเลิกรักษาศีลอย่างเนี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันกุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายนั้นอาจจะต้องรักษาอวัยวะไว้ก่อนและอาจจะต้องเลิกละศีลในบางข้อก็ได้เช่นบางทีเราจะต้องไปฆ่าสัตว์หรือจะต้องไปพูดเท็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นอย่างสมมติว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ถือสัตย์จากถือสัตย์จากมากทีเดียวแต่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งบังคับท่านว่าให้พูดเท็จถ้าไม่พูดเท็จจะต้องตัดหูทิ้งต้องให้พูดเท็จพูดตรงๆงไม่ได้เช่นอย่างสมมติว่าบังคับให้ท่านไปเป็นพยานเท็จในศาลถ้าท่านไม่พูดเท็จะถูกตัดหูจะถูกตัดมือตัดเท้า เราก็ต้องยอมพูดเท็จทั้งๆ ท, ที่เรารักษาศีลมาเนี่ยเรารักษาอาวัยวะของเราไว้กลัวอวัยวะจะถูกตัดเอายอมพูดเท็จไปผลสุดท้ายศีลก็ขาดศีลอย่างนี้เ้าเรียกว่ามีอวัยวะเป็นที่สุดเพราะเห็นแก่อวัยวะเราจึงต้องเลิกลกในการรักษาศีล <c oughs> ส่วนศีลที่มีชีวิตเป็นที่สุดนั้นก็คือบางทีอาจจะรักษาชีวิตหรือว่ารักชีวิตมากกว่ารักศีล พ อ, อชีวิตจะหาหม่แล้วเราก็ต้องยอมเสียสีนผลสุดท้ายก็มีชีวิตเป็นที่สุดคือสิลที่รักษานั้นกวงชีวิตมากสิลก็ต้องสิ้นสุดลงพรสุดท้ายเราก็ไม่รักษาศินอย่างนี้เรียกว่าสัพปริยันต์สัพสินที่มีลาบมียศมีอวัยวะมีชีวิตเป็นที่สุดเราเรียกสินชีวิตนี้ว่าสัพปริยันตะศินส่วนอปริยันต์นั้นคือไม่มีที่สุด สินที่ไม่มีที่สุดเรียกว่าปริยันตสินคู่ที่เจ็ดคือโลกิยศีลกับโลกุตตรศินคําว่าโลกียศีล น, นี้ก็แปลว่าศินที่ยังมีอาสวะอยู่เช่นอย่างพระก็ดีเนนก็ดีหรืออุบาสุกุบาสิกาก็ดีปัจจุบันเนี่เรามีศินแปลว่าเรายังมีอาสวะ ร, รมอยู่ในจิตคือยังมีกิเลสอยู่กิเลสเี่ยังไม่หมดไปศีลที่เรามีอยู่อย่างนี้ก็เป็นโลกียศิน ถ้าหากว่าศินนั้นเป็นไปเพื่อการออกจากภพเช่นศิลที่เกิดขึ้นในองค์มรรคอย่างนี้เรียกว่าโลกุตระสินคือสินของพระอริยเจ้าอันเป็นไปเพื่อความสิ้นภพสิ้นชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่าโลกุตระสินยังมีศินประเภทอื่นๆอีกเช่นอย่างพีนะสินมัชชิมศสินปณีตศินอัตตาธิปเตยศินโลกาทิปเตยศินธรรมาธิปไตยสิน หรือปรมัตถะอะปรมัตถะและปฏินิสิตะสินอย่างนี้เป็นต้นหรือปฏิปฏัทธิสินมีวิสุท ธ, ธิอวิสุท ธ, ธิและก็เวมติกะมีเสกเสกขาอเสกขาเนวเสกขาสินซึ่งสินแต่ละประเภทเหล่านี้เป็นสินเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติของพระสงฆ์สมมาว่าถ้าเราเรียนมากไปก็อาจจะก สันเปือคือจำไม่ได้และผลสุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์อะไรสินหลานี้อาตมาขออนุญาตบรรยายผ่านคือไม่ไม่ต้องบรรยายละเอียดเพราะว่าการปฏิบัตินั้นก็มีผลในด้านการปฏิบัติเนี่ยน้อยแล้วก็หานภาพทิยศินอีกท่านแสดงไว้โดยละเอียดว่าหานภาพิยศินก็มีทิติภาทิยะก็มีวิเสสภาทิยศินก็มี นิพภทธาทียะก็มีซึ่งเป็นสินแต่ละประเภทที่จะแม่ออกไปโดยละเอียดนี่เป็นเป็นการประมวลสินของท่านพุทธโภศาจา์ที่ประมวลไว้ในพรไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็มีภิกษุสินภิกษุณีสินอนุปสัสมบันสินเครือหัดสินอนุปสัสมบันสินนี่ก็เป็นสินของสมมเนรีกับสินของสมมาเนนจัดว่าเป็นอนุปสัสมบัน มีปกติปกติสินอาจาระ์สินและธรรมตาสินอุปเพหสุกสินส่วนสินที่จะพูดในที่นี้ที่เห็นว่ามีประโยชน์มากก็คือปาติโมกสีนปาติโมกสินอินทรียสังวรศินอาชีวะปาริสุทธิศินแล้วก็ปัจจิยะสัมนิสิตาสินซึ่งสินเหล่านี้เป็นสินที่มีประโยชน์มากที่ ครือหัาทั้งหลายควรจะได้ศึกษากันว่าหมายถึงอะไรคำว่าปาติโมกเราได้ยินได้ฟางกันบ่อยๆเพราะว่าวันพระทะ่้าคำเนี่ยพระสงฆ์ท่านจะต้องลงปาติโมกเราเรียกว่าสวดปาติโมกคำว่าปาติโมกเรีคืออะไรถ้าบอกคำว่าปาติโมกสีล น, นี้ก็คือสีลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบทอันเกี่ยวกับปาติโมกเรียกว่า ศีลเนี่ยเป็นปาติโมกหรือศีล น, นี้เป็นเครื่องรักษาบุคคลผู้กระพฤตปฏิบัติให้พ้นจากภุกอันมีอปาญทุกเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลเป็นปาติโมกศีลคําว่าสังวร น, นี้ก็คือความสํารวมความสํารวมระวังเรียกว่าสังวรคําว่าปาติโมกศีล ที่ท่านได้กล่าวไว้คือคำว่าสังวรในที่นี้คือคารสมรวมระวังนี้ท่านได้เท้าวความถึงอาจาระกับโคจรว่าคำว่าสังวรเนี่ยถ้ารวมถึงอาจาระและโคจรอาจาระนี่แปลว่ามันญาิเช่นมันญาิของบุคคลที่แสดงออกทางกายและทางวาจามันญากที่แสดงออกอย่างนี้เรียกว่าอาจาระโคจรนี่แปลว่าที่เที่ยว พว่าผู้มีศีลนี่ท่านจะกัดไว้ว่าจะต้องมีมันยาติอย่างไรแล้วก็ที่ใดเป็นที่ควรเที่ยวที่ใดเป็นที่ไม่ควรเที่ยวคือที่ใดเป็นที่ควรไปและที่ใดเป็นที่ไม่ควรไปอย่างผู้มีศีลเนี่ยคำว่าโคจรนี่แปลว่าที่ควรไปอะโคจรนี่แปลว่าที่ไม่ควรไปที่ที่ที่ที่ควรไปเที่ยวเนี่ยมีอะไรบ้างโคจรนี่เราจะพูดกันทีหลัง แต่ว่าในที่นี้จะพูดถึงอโครจรก่อนว่าคนมีศีลไม่ควรไปเที่ยวในสถานที่ไหนบ้างที่เป็นตัวอโครจร อ, อโครจรเช่นอย่างพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้มีศีลจะต้องรู้ที่เที่ยวด้วยเว้นไว้แต่ว่าไม่รู้สุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าก็ไปแล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเช่นสถานที่ใดบ้างที่เป็นที่ไม่ควรเที่ยวท่านบอกว่าสถานที่ไม่ควรเที่ยวนั้นคือหนึ่งสถานที่หญิงแพทย์สยา สถานที่ที่แม่ไม้อยู่สถานที่ที่สาวเชืออยู่อันเนี้ยที่ว่าหญิงแพทย์สยามเนี่ยที่พระไม่ควรไปเที่ยวคือไม่ใค่หมายความไปเที่ยวกับหญิงแพทย์สยามคิดว่าท่านผู้ฟังคุจะเข้าใจว่าหญิงแพทย์สยามเนี่ยคือหญิงประเภทไหนในประเภทนี้เขาใช้คาว่าหญิงบางจำพวกเป็นภาษาของกรมประชาสเคราะห์ครับใช้หญิงบางจำพวกก็ ถ้าในทางธรรมะใช้คว่าหญิงแพทย์สยาที่ว่าพระไม่ควรไปหรือผู้มีศีลไม่ควรไปไปในที่เนี้หมายความผ่านไปเท่านั้นนะก็ไม่ควรไปไม่ใช่หมายถึงไปเที่ยวเหมือนเครื่องหัดก็ไปเที่ยวกันไม่ใช่อย่างนั้นผ่านไปเท่านั้นนะก็ไม่ควรไปเช่นอย่างสมมติว่าอที่เนี่ยเป็นสํานักของหญิงแพทย์สยาล่ะหญิงแพทย์สยาจะมีมนพระคุณเจ้าไปสันเพนที่สํานักมั่งจะได้ไหม ไม่ได้ทีนี้สํานักหญิงแพทย์สยามในปัจจุบันเนี่ยจเจริญมากโฮเทลต่างๆใหญ่ๆนะี่ต้อเป็นสํานักหญิงแพทย์สยามเหมือนกันพระคุณเจ้าไปเปิดโรงแรมได้ไหมบางท่านอาจจะไม่ถือได้เพราะว่าพระราชาธนะใหญ่ๆท่านไม่ถือเปิดโรงแรมก็เอาท่านกอาจจะไปเจิมป้ายให้ได้แต่นั่นนี่ะหารู้ว่าเป็นสำนักหญิงแพทย์สยาม ถ้ากราวโดยศิลแล้วทำไม่ควรจะไปอย่าว่าจะไปเที่ยวเลยนี่ไปเปิดด้วยไปเจิมให้ด้วยชมน้ำมนต์ให้อีกด้วย <c oughs> รอบทุกอย่างยิ่งไม่ควรใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่เราเห็นว่าไม่สำคัญ <c oughs> บางทีก็เห็นว่าไม่สำคัญอย่างอื่นที่สําคัญกว่าบางทีก็ไม่ถึงขั้นนี้ก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ไอเรื่องอย่างเนี้ยมองกัน <c oughs> ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญ เป็นที่เป็นอัโครจรนถาบอกแม้แต่เราจะเดินผ่านไปก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นหญิงเป็นสํานักหญิงแพทย์สยาทีนี้บางแห่งเช่นอย่างโรงสุราเนี่ยร้านขายสุราเครื่องดื่มต่างๆพระก็ไม่ควรเข้าไปร้านขายเครื่องดื่มที่ที่เป็นสุราณนะสุราเม ร, ยรนเนัยต่างๆไม่ควรเข้าไปบอลการพนันพระสงฆ์ก็ไม่ควรเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยเราอนุรุมด้วย หาพัทยาหา ด, าหาดบางแสนพระก็ไม่ควรจะไปเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นก็เป็นอโควจรที่เป็นอโควาจอนะเพราะอะไรเพราะว่าโยมไปอาบน้ํากันที่นั่นแล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยพระก็ไม่ควรไปเที่ยวก็จะว่าเป็นอโคจรด้วยเพราะเป็นสถานที่โยมทั้งหลายจะไปหาความสนุกสนานกันก็ต้องเว้นอีกเป็นอโคจรหมดเนี่ยคําว่าอคจรนนี่กินความหมายกว้าง ทีนี้คําว่าสถานที่แม่ไม้นี่สมัยก่อนคงจะเป็นเมืองเป็นเมืองนี่หมายความว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองแม่ไม้โดยเฉพาะใครเป็นไม้ก็ต้องมาอยู่เมืองนี้ต้องบอกพลาดก็ไม่ควรไปเที่ยวเมืองแม่ไม้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรข้าไป <c oughs> แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสาวเชื้อสาวเชื้อนี่ก็คือโยมที่ ที่ไม่ได้แต่งงานอยู่ในปัจจุบันเราเรียกว่าสาวแก่ความจริงมาปนกันไม่ได้สาวก็สาวแก่ก็แก่แต่เราเรียกว่าสาวแก่บางทีอายุ60ปีแล้วยังขอร้องบอกท่านต้องใส่นางสาวนะฉันยังเป็นนางสาวอยู่อย่างเงี้ยคือทั้งๆที่ไม่มีสาวเหลืออยู่เลยแต่ก็ยังขอให้มีนางต่ออยู่เราเรียกกันว่าสาวแก่คือมีทั้งสาวด้วยแล้วก็แก่ด้วยปนกันแต่ว่าในทาง ภาษาธรรมะนี่ท่านใช้ผูกตับเลยว่าสาวเชื้อใช้คำว่าเชื้อสาวเสื้อคือผู้ที่ไม่ได้ดแต่งงานไม่หพระไปเที่ยวอีกก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่าเพราะอะไรท่านท่านห้ามไปในสถานที่ทั้งสองอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องอธิบายโยมก็เข้าใจเองส่วนโครจรโครจร น, นี่แปลว่าที่ที่ควรไปเที่ยว ถ้าแสดงโคจรไว้สามประเภทว่าที่ที่ควรไปเที่ยวมีอะไรบ้างโคจรทั้งสามประเภทนี้ประการที่หนึ่งคือโคจรที่ควรเข้าไปอาศัยประการที่สองคือโคจรที่ควรเข้าไปรักษาโคจรที่ควรเข้าไปปลูกใจท่านั้งหลายจำไม่ดีโคจรคือที่ที่ควรไปเที่ยวนี่คือที่ที่ควรไปอาศัยที่ที่ควรเข้าไปรักษา ที่ที่ควรเข้าไปผูกใจที่ควรเข้าไปอาศัยเนี่ยได้แก่สถานที่เ่าใดถ้าบอกว่าเราจะเที่ยวไปสู่ที่ไหดที่หนึ่งก็ตามเช่นอย่างสมมติว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเพื่อนเราจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่นั่นจะต้องไปเยี่ยมเพื่อนที่นี่บางทีจะต้องไปนอนค้างกับเพื่อนปัญหามีอยู่ว่าเพื่อนชนิดไหนควรที่เราจะไปเยี่ยมเพื่อนชนิดไหนควรที่เราจะไปนอนค้างควรที่เราจะไปเยี่ยมเยียน ขอจอนที่ควรเข้าไปอาศัยในที่เนี้ยคาว่าเพื่อนที่ควรเข้าไปอาศัยนั้นเพื่อนผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยกถาวัตถุจะต้องเป็นบัณฑิตสมบูรณ์เช่นอย่างเพื่อนที่เราไปอาศัยเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราไปเยี่ยมไปหาแล้วเราจะพบแต่คําพูดเชิญชวนให้ทําแต่ความดีหรือสร้างแต่กุศลตลอดเวลาเพื่อนอย่างนี้ควรไปเยี่ยมสำนักอย่างนี้ควรไป ถ้าก็สมจะไปสู่สำนักไหนก็ตามจะไปเยี่ยมเพื่อนพระวัดไหนก็ต้องดูว่าวัดนี้เขามีการปฏิบัติหรือไม่มีการปฏิบัติมีการศึกษาดีไหมมีคุณธรรมพอเพียงหรือไม่ที่เราจะไปเยี่ยมถ้าหากว่าไม่มีท่านก็บอกว่าไม่ควรไปแม้ท่านทั้งหลายจะไปสู่สำนักไหนก็เหมือนกันจะไปวัดไหนก็เหมือนกันก็ต้องดูเหมือนกันว่าวัดนี้ไปแล้วเราได้อะไรมาบ้าง ได้อะไรมาบ้างในที่เนี่หมายถึงได้คุณธรรมนะไม่ใช่หมายว่าไปวัดนี้แล้วได้หวยมาสามตัวไปวัดนี้แล้วได้น้ำมนต์มาไปวัดนี้แล้วได้เครื่องรางของขลังแจกมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไปแล้วเราได้คติอะไรมาบ้างที่เป็นคุณธรรมสําหรับการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าโครจรที่ควรเข้าไปอาศัยถ้าเราจะคบเพื่อนก็ต้องต้องศึกษาด้วยว่าเพื่อนเนี่ยมีนิสัยอย่างไรถ้านิสัยไม่ดีก็ไม่ควรครบ ถ้ามิใช่ดีควรครบเป็นโครจรที่ควรเข้าไปอาศัยทีนี้โครจรที่ควรนักษาโครจรที่ควรรักษานั่นก็คือเราจะไปสู่ถนนขนทางหรือระแวกบ้านในคามนิคมอันใดอันหนึ่งก็ตามถ้าหากว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ต้องเป็นผู้มีความสมรวมในอินทรีย์ทั้งหก